นาปฏิวานภิกษุณีดังต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ827 1. ิภิกษุณีมองดูก่อนแล้วจึงเทสองภิกษุณีเทในที่ที่เขาไม่ใช้สัญจร 3. ภิกษุณีวิกลจริบ 4. ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่8จบ